อิมัตสะธรรมปริยัติสะอัธโธสาธายัสะมนเนติหิสกจังธรรมโมโสตโบตีตี <c oughs> อ้าวตั้งท่าตั้งทางเข้าที่ตั้งขัดสมาธิก็ได้ไม่ถือว่าเป็นการไม่เคารพ หลวงปู่สิมตั้งนโมเห้เข้าที่คัดสมาธิเทศเลยละเววานั่งทำสมาธิฟังธรรมะเป็นการกรมเอาเสียงธรรมเป็นเสียงเพลง่าชาวโลกเขากอมเพื่อให้มีความสุขความล่าเริงเขาเอาเสียงเพลง นี่เราเอาเสียงธรรมะก่อมจิตใจให้มันมีความรู้ให้สติมีความระลึกรู้รู้อยู่กับกระแสรธรรมเสียงธรรมถึงแม่ไม่รู้บางคำภาษาบาลีแล้วก็รู้เสียงภาษาไทยแล้วมันก็จะ กมเกินกันไปกับภาษาบาลีจะรู้จะเข้าใจได้เท <c oughs> <c oughs> ่าที่นั่งสบายขาขวาทับขาท้ า, ายมือขวาวางทับมือท้ายต่างกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะใจนี่เรียกว่า เอาใจฟังเอาใจฟังเอาสติควบคุมใจจึงจะสัมผัสสัมพันธ์กับคำว่าสติสัมปชัญญะที่เป็นศีลท่านเรียกสตินี่แหละเป็นศีลคือสังวรธรรม มีสติสังวรมีความตั้งใจสังวรรักษาอารมณ์อายในใจไม่ให้ความลู่ความระลึกลูก้สอดสายไปตามเรื่องความหลงความหลงความเผลอสติพังเผลอสติไม่อยู่กับใจสติไม่คุมกับใจกับผู้รู้ ก็เผลอไปด้วยกันเผลอไปทั้งสติเผลอไปทั้งใจกไปรู้เรื่องอย่างอื่นไปทํางานไปปรุงไปแต่งเนี่ยว่าทั้งขบวนการสัญญาสังขารสติใจไปทํางานอย่างอื่นกลายเป็นความฟุ้งซ่านลำคาญทําให้เกิดความอยาก ความโลภโกรธหลงไปตามอารมณ์ที่เผลอเลอไปนึกไปคิดนั่นแหละเพาะควบคุมไว้ในปัจจุบันขณะนี้เดียวนี้ฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะคือกายเขาปฏิบัติกายเขานั่งสงบไม่กระดุกกระดิกนี่เรียกว่านั่งสมาธิ ปฏิบัติต่อทางกายจิตใจก็มีสติคุมไว้ให้ลู่อยู่กับใจลู่อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเอาลมเป็นหลักเป็นเป้าหมายลู้แล้วลึกลู่เพื่อจะได้สัมผัสกับคำว่า สมาธิธรรมหรือสัมปชัญญะสติระลึกรู้ต่อเนื่องกันเป็นขณะเป็นขณะท่านเรียกว่าสติความระลึกรู้เมื่อละลึกรู้ไม่เผลอความรู้เราก็รู้รู้ไม่เผลอรู้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไม่เผลอไปรู้เรื่องอื่น นี่จะทําให้กายเบาจิตเบาความรู้นี่นก็รู้สึกว่ารู้ราบรื่นปลอดโปร่งเนี่ยผลของสติต่อเนื่องกันในเบื้องต้นและละเอียดเข้าไปต่อเนื่องกันก็นกเป็นสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่ไม่เป็นขณะเป็นความรู้รอบรู้ทั่วในกายรู้รอบในจิต นั่นเป็นสัมปัชัญญะเมื่อเป็นสัมปัชัญญะแล้วก็เป็นสมาธิความรู้นี่แนบแน่นอยู่กับคมบริกรรมหรือถ้ามันวางคมบริกรรมมันละเอียดมันวางภายนอกวางการสัมผัสภายนอกไม่มีไม่มีโรคภายนอก ไม่มีบ้านไม่มีเรียนไม่มีต้นไม้ภูเขาเรากาไม่มีเสียงผู้เสียงคนเสียงสัตว์อะไรต่างๆที่สัมผัสกับหูลู้เข้ามาที่ใจไม่มีหายไปหมดแล้วมันก็เข้าไปเหลืออยู่กับใจกับผู้รู้นั่นแหละท่านเรียกว่าเข้าไปสู่ใจแท้ใจเดิม ยิ่งมีความเบายิ่งมีความเบามีความผิดปกติเป็นถ้าพูดว่าโรกก็เป็นอีกคนละโรกอันนั้นเป็นโรกของใจเข้าไปสู่โรกของใจแล้ววางโรกของกายภายนอกไม่มีอะไรล่ะมีแต่ความเวิร์งว่างอยู่รอบรอบแต่ความรู้นั้นก็เป็น สมาธิเป็นความแน่วแน่อยู่เฉพาะตัวอันนี้ว่าจิตรวมเข้าไปหาใจภายในะหรือว่าใจรวมเข้าเฉพาะใจเป็นสมาธิอันจะเห็นความแปลกประหลาดความ อัศจรรย์ใจนี่เป็นธรรมชาติรู้เฉยๆมันไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนเ่มันมาสัมผัสกับอาการอย่างอื่นอ่มันเข้ามาสู่ขันห้ามันมาสัมผัสกับขันห้ามีสมมุติแห่งขันห้าเกิดขึ้นคือมีกายมีความสุขความทุกข์สัมผัสกันเก็บปวด รับรู้กันมีสัญญาความจำความหมายนู่นหมายนี่นี่สังขารความคิดปรุงอะไรเป็นคิดตังเนึกคิดนี่เรียกว่าใจมันเข้ามาสัมปยุทธกับขันหาลล้าแล้ววุ่นวายอท่เป็นเรื่องทุกร้อนวุ่นวายเป็นเรื่องร้อนเรื่องหนาวเรื่องดีเรื่องชั่วไว้แล้ว เรียกว่าเมื่อมันมาสัมปยุติกับขันห้ามันจึงเป็นความทุกข์ใ <c oughs> นมาปฏิบัติมาประพฤติทธธมปฏิบัติธรรมธรรมะธรรมะคือกายกับใจกายก็เรียกว่ารูปประธรรมใจไม่มีตัวตนจึงสมมติว่า นามธรรมาคือมีแต่อาการมีแต่ชื่อเหมือนอย่างตัวเราล่ะชื่อมันไม่มีตัวมีตนเอ็นสมมุติชื่อสีชื่อมีแต่ร่างกายมันมีเป็นตัวเป็นตนอยู่เป็นวัตถุอันนี้ก็เหมือนกันใจมันไม่เป็นวัตถุมันเป็นเพียง อาการท่านยังเรียกว่านามรู ป, ประธรรมนามรธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติทําไมปฏิบัติเพื่อให้ลูกเพื่อให้ลูกทำเห็นทำตามความเป็นจริงคือให้ลูกกายลูกใจนี่แหละที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ได้มีการเกิดการตายให้มีการเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนอยู่เนี่ยมันเกี่ยวกับมีกายมีใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรียกว่ามีใจนี่แหละมีใจพราะฉันในวันนี้ ได้มาร่วมกันประพฤติธธ ร, รมปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษธรรมดาก็ปฏิบัติกันอยู่ํามการํามเวลาตามสถานที่อยู่ของตนของตนแต่ในวันนี้เป็นวันนัดหมายพิเศษมีครูบาอาจารย์มาที่มริษัทเวอรีนา่าซึ่ง ในระพืชปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนในเดือนนี้ในวันนี้เป็นวันที่ย6สวันที่ย6สมีนาคมพุทธศักราชสองพห้ากสบเป็นวันที่ได้นัดหมาย ได้มารวมกันสถาญาตโยมบาสกบาสิกาประชุมรวมกันแล้วก็ได้ร่วมกันกราบไหว้ทำสามีกิกรรมด้วยการฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เรียกว่าคาราโวจะนิวาโตจะผู้มีความคารวะ มีความอ่อนน้อมนอบน้อมทางกายทางวาจาทาง จ, จิตใจยอมเป็นอุดมมงคลอันพิเศษสูงสุดเพราะฉะนั้นจึงได้มีการไหว้พระทำวัดเจริญสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ก็คือการสาธยายพุทธวจนะทำคำสอนของพระพุทธเจ้า นี่ก็ได้ฝึกได้การทาได้โอกาสตอนนี้ไปเป็นการฟังธรรมด้วยการเจริญจิตภาวนาเรียกว่าเอาเสียงธรรมปลอมใจให้เสียงธรรมเป็นสื่อให้ความรู้หนึ่รู้สังขารสัญญาต่างๆก็ทำงานอยู่ในการ ฟังธรรมะเพื่อให้บรรจุตั้งลงที่ใจเดี๋ยวมีใจเท่านั้นหละเป็นหีบเป็นตู้ถ้าจะพูดตามสมมุติตู้พระไตรปิฎกหีบพระไตรปิฎกคำว่าพระไตรปิฎกก็คือหมวด พระธรรมที่ได้เขียนได้พิมพ์รวมกันเป็นหมวดม่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มีพระสูตรพระวินัยพระพระอภิธรรมกิดง น, นั่นทาเป็นเล่มแล้วก็มีตู้เก็บแต่ที่นี่ทมแท้ที่เกิดของธรรมแท้ที่จะได้ไปเขียนไปพิมพ์นั่น ก็ออกมาจากรูปพระ ร, รมและนามา ร, รมรูปพระ ร, รมก็มีใจเป็นใหญ่ที่นี่จึงว่าเกิดจากใจคือความรู้นั่นแหละจึงมีสมมุติออกมาที่นี่ว่าใจเป็นตู้พระไตปิฎกอันแท้จริง ใจเป็นผู้รองรับพระไตรปิฎกพระสุตันตปิฎกก็พูดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็แสดงเกี่ยวกับตัวบุคคลรูปร่างกายที่มีลมหายใจนี่เรียกว่าพระสูตรองมหลวงปู่ฟันท่านถึงแปลพระสูตรพระสูตรคือลมหายใจ หายใจเข้าไปเป็นพสูตรภายในหายใจออกมาเป็นพสูตรภายนอกนี่พสูตรศึกษาพสูตพรพสูตรพระวินยัยพระพระอริธรรมก็คือใจยิจ่งว่าใจนี่แหละเป็นมหาเหตุ ใจเป็นสิ่งที่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ยุ่งไม่ยากตามธรรมชาติของเขาตามทิฏฐิธรรมที่เขาเกิดขึ้นมาเป็นใจ น, นี่สมมุติสมมุติว่าใจเกิดขึ้นมาแต่มันไม่ได้เกิดเหมือนเหมือนรูป นามธรรมาหรือมโนธรรมธรรมคือใจไม่ได้เกิดเหมือนรูปเหมือนรูปเนี่ยต้องรวมกันรวมธาตุดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟอากาศอากาศธาตุการเกิดของรูป และก็ต้องมีพ่อมีแม่เนีว่ามีบิดามีมารดาอย่งจะรวมกันถึงจะเกิดมาเป็นรูปได้เป็นรูปเป็นกายนี่เป็นวัตถุธาตุวัตถุธาตุที่รวมกันแล้วจึงมี สัญญาเวทนาสังขารวิญญาณที่เป็นนามเป็นนามมาทมและก็มีใจใจนี่ไม่ใช่ขันห้าใจไม่ใช่วิญญาณที่กล่าววิญญาณในขันห้าใจนี่เป็นวิญญาณเดิม เป็นมหาเหตุเป็นต้นเหตุหรือว่าเป็นทิฏฐิที่เขาเกิดขึ้นมาเองของเขาอันน่ะเป็นตัวนี่จึงว่าใจเนี่ยเป็นตัวเกอะพบก่อชาติอืคําว่าเกาะพบก่อชาติอก็คืออมีการไปเกาะอคําว่าพบคือความเกาะชาติคือการเกิด เหมือนกันกันกบเมล็ดพืชพันธุ์ไม้ต่างๆเมื่อเมล็ดมีเมล็ดพันธุ์ของเขาแล้วมันก็ลวงร่วงลงไปในดินการที่มันฝังตกลงไปในดินเนเรียกว่าพบมันไปสัมปยุติกันเนี่ยมีพบคือการเกาะก็มีชาติ คือการเกิดขึ้นต้นไม้เมื่อได้ความร้อนความชุ่มได้อากาศปรงโปง่ปงโล่งโล่งพอดีแหะเขาก็จะงอกเกิดเป็นต้นขึ้นมาเรียกว่าชาติภพชาติของใจนี่ก็เหมือนกันนะ่ะที่แรกมันยังไม่มีมันยังไม่มีพบชาติ มันมีพบโดยมันมีชาติโดยธรรมชาติของเขาที่ว่าเกิดใจใจใที่ถามปัญหากันว่าใจเนี่ยมันมาจากไหนอะไรเป็นพ่อเป็นแม่ของใจมันเกิดมาอยังไงจึงมาเรียกว่าใจใจคือเขาเป็นธรรมชาติเองของเขาเหมือนกันกับลมลม ที่มันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นมันเกิดจากความร้อนความเย็นกระทบกันจึงเป็นแรงเมื่อมันมีแรงเหวี่ยงแรงกระตุ้นมันจึงมีลมขึ้นเหมือนกันกับพัดลมนี่แหละนี่ลมที่เป่าเราอยู่นี่มันมีพัดลมมันมีพัดลมอะนนี่ พัดลมเนี่ยเขาเาเอาอุปกรณ์ที่มาทำเนี่ยมันเป็นธาตุมันเป็นธาตุดินเหล็กอลูมิเนียมพลาสติกอะไรต่างๆมันเป็นธาตุดินมีธาตุดินแล้วก็มีธาตุไฟไฟคือความร้อนไฟฟ้าที่ต่อเข้ามามาทำให้ดินนี่มันหมุนเพราะมันหมุนมัน เวียงไปเวียงมามันก็เกิดลมทนี่ใว่าลมเกิดมาจากสิ่งที่กระทบกันให้เป็นแรงเวียงไปเวียงมาหรือเรามีพัดมีวีสารด้วยไม้ไผ่แล้วก็มีสิ่งที่ทำให้พัดให้วีนั่นมัน กระดุกกระดิกพัดขึ้นพัดลงก็เกิดมีลงอันนี้ธาตุธาตุดินน้ำไฟลมเขาก็เกิดจากธรรมชาติอย่างนั้นธาตุลูกคือใจเนี่ยที่เรียกว่าทิติภูตังเขาเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของเขาเหมือนกัน แต่มันเกิดมาแล้วมันมีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันมีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในนั่นด้วยจริงว่าเป็นใจที่ยังไม่บริสุทธิ์ถ้าหาว่าเป็นใจบริสุทธิ์หรือว่าเป็นของบริสุทธิ์มาแต่เดิมก็ไม่ต้องมาภาวนา พราะไม่มีเหตุที่จะมาเกิดกับใจแล้วทำให้ใจเนี่ยกระทบกระเทือนกระทบกระทั่งหรือเป็นเหตุเข้าไปสนับสนุนขันห่ารูปเวทนาสัญญาสังขารให้เกิดขึ้นแล้วก็มาเป็นเหตุให้ทำกรรมมีการกระทำและมีวิบาก คือผลของกรรมให้ได้รับทุกในปัจจุบันทุก์ในเบื้องหน้าทุกที่เกี่ยวกับกายกับรูปทุกที่อยู่เฉพาะใจที่สัมผัสอยู่เฉพาะใจหากว่าใจมันเกิดขึ้นที่แรกของมันมันเป็นใจบริสุทธิ์เลยอก็ไม่ต้องได้มา พึธรรมปฏิบัติธรรมไม่ต้องได้มาแต่งอะไรเพราะมันจะไม่เข้าไปสู่เหตุที่ให้เกิดความทุกข์ความหลงความรู้ความหลงความจดความจำอาการเหล่านี้มันเป็นอาการของขันห้าเป็นอาการของสิ่งที่มาสัมปยุทธกับใจ จริงว่าใจเดิมเหมืนเป็นใจแต่ใจยังไม่บริสุทธิ์ใจยังมีเชื่อยังมีโมหะปกคุมอยู่เมื่อมีอโมหะมีเชื่อที่ไม่บริสุทธิ์ให้เป็นทุกข์จริงว่าเชื่อของ นั่นแหะเชื่อของราคะเชื่อของโทสะเชื่อของโมหะมันจะสัมพยุตรรวมอยู่ในขันห้าแล้วก็มาแสดงปฏิกิริยาที่ใจเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้มาแก้ไขกันอีกจึงต้องได้มาแก้ไขมาทํา เพื่อให้ธาตุลูกคือใจแท้ใจเดิมเนี่ยเป็นธาตุบริสุทธิ์คือมาแยกสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์ออกจากใจนี่อีกด้วยธรรมะไม่มีสิ่งอื่นใดจะแยกออกได้น <c oughs> <c oughs> อ, อกจาก การปฏิบัติต่อกายวาจาใจให้เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นธรรมนี่เรียกว่าเป็นสมมุติมาเอาท ร, รมาสมมุติที่จะให้เป็นวิมุตินี่แหละมาขัดมาสีมาประกอบกัน เหมือน ก, นกันกับเขาจะปรุงจะแต่งจะสร้างสมมติอย่างอื่นนั่นแหละทีนี้วิธีธรรมหรือสติปัญญาที่จะมาสร้างอาวุธยุโทโธพกรที่จะมากำจัดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หรือว่าสิ่งที่หลง สิ่งที่มาครอบมาปกคลุมใจแท้ใจเดิมอยู่นี่ที่เรียกว่าเป็นความหลงเป็นโมหะจะมาชำระเพื่อให้เกิดเป็นปัญญาเป็นสติเป็นปัญญาเป็นสัทธาความเพียรความรู้จริงเห็นจริงในสมมติทั้งหลายทั้งปวงจึงต้องอาศัย จากพระพุทธเจ้าจากพระาศาสดาซึ่งพระองค์เป็นผู้ทรมาก่อนแล้วพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้สร้างอาวุธที่จะกำจัดกิเลสหรือจกักากำจัดอาสวะกำจัดมารความรุ่มหลงเนี่ยให ปัตนาการออกจากใจออกจากใจแท้ใจเดิมของเราพุทธองค์เป็นผู้ปฏิบัติมาก่อนแล้วแล้วก็รู้แล้วแล้วก็จึงได้สอนไว้เรียกว่าทรรมที่ตัดไว้ชอบทรรมที่ตัดไว้ชอบทรรมเครื่องดำเนินเรียกว่าเป็นมรคมรคปฏิปทา การปฏิบัติเพื่อจะทําลายความลุ่มหลงทําลายความรู้เท่าทันความโลภรู้เท่าทันความหลงความโลภมันก็เกิดเพราะมีความหลงปิดใจความโกรธ อาการที่ว่าโกรธโทธทะโกรธโทสะเดือดดานมันแสดงขึ้นภายในใจเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เพราะเพราะหลงเพราะไม่รู้นี่โกรธเพราะไม่รู้โรคเพราะไม่รู้ทุกข์เพราะไม่รู้รรรรจึงต้องมาปฏิบัติ จเจริญศีลสมาธิปัญญานี่ว่าสวดสาธยายภาวนาเพื่อให้สติต่อเนื่องกันความระลึกรู้ธรรมชาติมันมีอยู่แต่มันไม่ต่อเนื่องเมื่อมันไม่ต่อเนื่องหรือว่ามันไม่รวมเป็นก้อนเป็นพลังใหญ่มันก็ใช้ประโยชน์ กับการที่จะทำลายความหลงภายในที่มันปกคุมใจนี่ไม่ได้นี่จึงต้องมารวมกำลังของสติลึกลู่ตั้งมั่นในการเพียนเพ่งสวดสาทยายและกบิกรรมภาวนาเนี่ยจึงเป็นเหตุให้ต้องปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่แจ่มแจ้งความรู้ความเห็นที่เรียกว่าปัญญาไม่เกิดไม่มีนี่จึงต้องจเจริญสติและก็จะเจริญสมาธิเรียกว่าภาวนาสมถภาวนา เมเจริญสติสมาธิด้วยความเพียรด้วยความจดจอ่อด้วยความตั้งใจจึงจะเกิดความรู้ซึ่งใจนั่นเป็นธรรมชาติรู้อยู่แต่ว่าถูกความไม่มีสติไม่มีปัญญาจึงเป็นความ มืดเป็นความหลงปกคลุมอยู่มันจึงไม่รู้เมื่อทําลายความไม่รู้ด้วยสติปัญญาสมาธนินัความรู้เกิดขึ้นเป็นความแจมแจ้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้ของใจหรือเป็นความรู้ที่เกิด ขึ้นที่ใจ น, นี่ความรู้วันนี้จะทำลายความไม่รู้ที่ปกคุมใจที่สัมประยุทธ์อยู่กับใจนะเมื่อทำความรู้ตามข้อปฏิบัติที่เรียกว่าทมที่ตัดไว้ชอบคือสติสมาธิปัญญา ให้เจริญทำให้เกิดให้มีขึ้นให้มีความเข้มแข็งให้มีความให้มีพลังกล้าเป็นสติภาระสมาธิภาระอินทรียภาระปัญญาภาระในภาระห้าโพดทรงเกดที่ท่านแสดงไว้เป็นอาการเป็นกิริยา เมื่อมาทำให้เกิดให้มีภายในใจของเราเนี่ยรู้ว่าปัญญามีปัญญาสว่างขึ้นที่ใจสติและลึกรู้ที่ใจปัญญารอบรู้ที่ใจนีว่าความรู้เกิดขึ้น ความหลงหรือว่าความมืดเมื่อแสงสว่างแห่งปัญญาเกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติชอบคือการเจริญการภาวนานี่แหละความมืดจึงหายไปแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดจึงหายไปปัญญาเกิดขึ้นโมหะอวิชชา จึงหมดอำนาจไปอืมสว่างขึ้นที่ใจนะโมหะอาวิชชาหมดอำนาจไปจริงว่าเหลือแต่ใจที่ไม่มีอวิชชาตันหา ม, มาครอบมาปกคุมมาแทรกแซงอันจริงว่าเหลือแต่ใจรุนรุนเหลือแต่ธรรมรุนรุน อันนั้นจึงจึงจะจบกันจึงจะหมดเชื่อหมดพบหมดชาติหมดการเกิดการตายหมดกรรมหมดวิบากานี่เพราะได้ทำลายตัวเหตุมหาเหตุคือใจหลง ให้ให้เป็นใจรู้ให้เป็นใจรู้เป็นใจตื่นใจเบิกบานด้วยปัญญานี่เรียกว่าธรรมนวิเศษคือปัญญาปัญญาญาณทัศนพะพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติมาในเบื้องต้น หรือพวกหรือสีสีภัยดาบทักบวชนักคตทั้งหลายพากันแสวงหาโมกขธรรมแสวงหาความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด<ม>ก็แสวงหาได้แค่มสมาธิสมาบัติหรือม ส, สมาบัติแปด แค่ปฐมฌานทุติยฌานทัติยฌานจจตุธาฌานในเบื้องต้นแล้วก็ฌานสูงขึ้นไปอากาสานัญจาตนาจินจัญญายตนะในวาสัญญาณาสัญญายตนานั่นเป็นวิถีของจิตวิถีของสติปัญญา ที่ได้เจริญมักคือมีความเพียรเพ่งในสติสมาธิและปัญญาคื อ, อยังไม่เข้าถึงปัญญาวิเศษปัญญาที่ลู้ละลู้วางวกลือสีสีภัยทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ น้อมไปในการรู้จึงให้เกิดความความรู้การรู้ความจริงเพราะใจนะี่มันเป็นธรรมชาติรู้เป็นนักรู้อยู่แล้วเมื่อเปิดสิ่งที่ปกคลุมออกไปนะหรือว่าไล่ตะกอนไล่สนิมออกแล้วมันจึงเหลือแต่ความรู้วนบริสุทธ ว่ารูปเกิดรูปดับรูปสมมุติตามเป็นจริงแล้วก็รูปละรูปวางรูปว่างวางมันก็ว่างถ้ารูปยังไม่วางมันก็ยังเป็นพบเป็นชาติอยู่เนี่ย การประพฤติปฏิบัติทมเพื่อทมที่สุดแห่งทุกข์ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกทุกกายทุกใจที่พวกเรามีอยู่ที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยจะเกิดมาเป็น เชื่อชาติอะไรประเภทไหนก็ตามล่ะแต่หาว่ายังมีการเกิดเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรมยมยักษ์มันก็ยังต้องมีทุกข์อยู่นี่แหละยังไม่ทําที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นไปทุกข์ทั้งหลายดังที่กล่าวมานี่ก็ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะราคะทุกข์เพราะโทสะทุกข์เพราะ โมหะรวมแล้วก็เรียกว่าทุกข์พ่อหลงนั่นแะาไม่หลงอย่างเดียวทำความแจมแจ้งรู้ ล, ละรู้วางในด้วยสติปัญญาในจิตในใจที่เป็นธรรมชาติรู้นี่หละก็จบกันเนี่ยมันยังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องมาภาวนาเพื่อให้รู้ มาภาวนาเพื่อสังวรนี่ในเบื้องต้นปฏิบัติธรรมปฏิบัติต่อกายใจมาสังวรสํารวมสังวรรูปลูกรูกใจเสก่อนใจคือธรรมชาติรูปลูกใจรูปลูกรูปคือร่างกาย ประกอบด้วยอาการสามสิบสองแล้วก็ประกอบด้วยอายตนะหกอายตนะหกก็อยู่ในกายนี่นี่พพุทธเจ้ายังสอนให้มาดูในกายมาดูในกายนี้กายของเรานี่ กายของเรานี่แลอุททางพาทัตตาเบื้องบนแถบพื้นเท้าขึ้นมาโทเกสมัตกาเบื้องต่ำแถบปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรออปูโลนานัปกาลัสอสุสกิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ นี่ท่านให้มาดูมาดูที่กายนี่กายของเรานี่แลนไม่ให้ไปดูที่กายนโน่นกายนอกไปดูทาไมดูเพื่อให้รู้ความจริงเพราะว่าความหลงเนี่ยสัญญาสังขารสัญญามันเป็นผู้จําเป็นผู้หมายสังขารเป็นผู้ภูมิผู้แต่งภูมิแต่งด้วยความหลง จำได้หมายรู้ด้วยความหลงมันก็มาหลงว่ากายนี่เป็นของสวยของงามกายนี่เป็นของที่กีรังยั่งยืนอ่ยมันไม่รู้ว่ามันไม่กีรังยั่งยืนจึงให้มาดูกายนี้พิจรารณากายนี้อ่ยเป็นอย่างนั้นหลงยึด ความหลงยึดหลงติดหลงกายนี่แหละเมื่อหลงในกายก็เป็นภพเีวเป็นการเกาะเป็นการเกาะเป็นการห่วงเป็นการห่วงอยู่ในกายนี่แหละห่วงกายตนห่วงกายผู้อื่นเนี่ยเพราะความหลงพันภาวนาจึงให้มาแห้งดูกายเนี่ย นี่ในขั้นในขั้นพิจารณากายในขั้นต้นสำรวมรวมใจเข้ามารูปลมหายใจแน่วแน่แล้วก็พิจารณากายใช้ปัญญาปัญญาเนี่ยปัญญาสามพิจารณาด้วย การได้ยินได้ฟังที่พุทธเจ้าสอนนี่เรียกว่าสุตะสุตมะมยปัญญาพุทธเจ้าสอนว่าอืผมอืเป็นของปฏิกูลผลเป็นของปฏิกูนนี่มีปัญญาจากการได้ยินได้ฟังก็เอามาเพ่งมากินธนาการมาเพ่งดู การพ่งดูด้วยสติสมาธิดูดูให้มัน่นไม่ให้มันไปดูอย่างอื่นมันยังไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงเนี่ยยังไม่เห็นว่าร่างกายนี่มันแก่มันเก็บมันตายหรือผมขนและฟั น, นหนังเนี่ยมันไม่เที่ยงคนต้องดูกำหนดดู สอนใจให้ลูกตามที่ผู้ธเจ้าสอนมันไม่งามผมแป่ปวนไปแล้วก็ล่วงโรยไปเปลี่ยนจากความดำคำ่ำก็งอขาวไปฟันก็เหมือนกันต้องล่วงต้องลนทีแรกแน่นหนาดีเราใช้เขี้ยว อาหารการกินสะดวกสบายเมื่อมันแปรปวนไปก็เก็บปวดสุดท้ายก็ร่วงโรนไปนี่เป็นการสร้างปัญญาจากสุตมยปัญญากินตะมยปัญญาเพื่อให้เป็นภาวนามยปัญญาภาวนาัภาวนามยปัญญาเมื่อกำหนดบ่อย เอียนเพ่งอยู่บ่อยๆประกอบด้วยสติและสมาธิมั่นคงมาให้ถอนไปเรื่องอื่นไม่ให้ถอนไปเรื่องอื่นเรียกว่าทำงานส่วนนี้เียนเพ่งอยู่นี่ฉันกลัวมันจะรู้จะเห็นเป็นปัญญาจากภาวนามายาปัญญาเนี่ยมันเป็นปัญญารู้เห็นแจมแจ้งแล้วก็ หมดสงสัยแล้วก็ทอดอะไรไปพร้อมกันถ้ามันเห็นความเป็นจริงว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นทุกขังจะให้มันทนอยู่สวยงามหรือมีกำลังวงังซาหรือให้มีลมหายใจชีวิตนี่ให้อยู่ตลอดกับตลอดกันไหม แปลพวนมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยเมื่อมันเห็นด้วยปัญญาที่ว่าภาวนามยปัญญาที่เพียนแเพ่งนั่นเห็นความเห็นสภาพสมมุตินี่ทั้งหลายทั้งปวงทั้งภายในตัวของเราเองกายของเราเองหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ภายในกายของเราเนี่ยที่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ มันเปลี่ยนแปลง้ภายนอกมันก็เปลี่ยนแปลงภายในก็เปลี่ยนแปลงนี่ถ้ามันเห็นท่านเรียกว่าประชุมความรู้และความเห็นจึงว่าทั้งรู้ทั้งเห็นเห็นตามเป็นจริงก็รู้ตามเป็นจริงมันก็สลัดเห็นว่ากายนี่เป็นก้อนทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่กีรังยั่งยืน อมีแต่คอยบำบัดคอยรักษาทําไมจึงต้องคอยบำบัดคอยรักษาเพราะมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นก้อนทุกข์จะรักษาไม่ให้มันทุกข์รักษาอย่างไงอย่างไงมันก็หายไม่ได้อืมเพราะมันเป็นสิ่งที่มันทุกข์สิ่งที่มันแปรปวนจะมาบังคับบัญชาจะมาตบมาแต่งมา เอาหมอเอายาอะไรมาอย่างไงอย่างไงสุดท้ายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าปัญญาภาวนาเมย์ปัญญานั่นแหละมันรู้แจ่มแจ้งภายในจิตใจของเราเองมันเป็นความรู้จริงเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงตามที่พุทธเจ้าสอนไว้ น, นั่น คำสอนนันมันเป็นปัญญาพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาของครูบาอาจารย์ที่สอนแล้วเรานำมาปฏิบัติคือมาเพียนเพ่งเรียกว่ามาเจริญภาวนามมยปัญญาเพียนเพ่งใข้ ค, ควรพินิจพิจารณาด้วยสติ ด, สญญด้วยสัมปัญญาด้วยศรัทธาเชื่อมัน่นเอาใจใส่ มันลูปปึ ng ขึ้นมาในขณะจิตของเราเรียกว่ารู้ตามนั่นแหละรู้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นเป็นความรู้จริงเห็นจริงมันจึงขาด น, นั่นเรียกว่าถอนพบถอนการเกาะทำลายพบทำลายที่เกาะที่ยึดนัด่นจึงว่าทอดอะไรอันาระโยทอดอะไร เมื่อยานคือปัญญาเห็นตามเป็นจริงเท่านั่นแหละไม่ต้องยุ่งยากอะไระเจรงว่ามันเป็นเองทมส่วนนี้มันเป็นเองภาวนาเมยพัญญาอาศัยการมีความเพียรเพ่งแต่เมื่อมันจะรู้จริงเห็นจริงเนี่ยมันสว่างจ้ามันตัดสินขึ้นมาเอง ไม่ได้นึกเอาแต่งเอาทานึกเอาแต่งเอาย่ยังยังเป็นการภาวนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จะมันรูปปึงขึ้นมาแจมแจ้งความวุ่นวายเคยมีในจิตในใจหายปลอดโป่งโล่งความยึดถือเราก็รู้อยู่คณะจิตที่มันยึดมันถือมันคล้องมันหนักมันหน่วง มันเศร้ามันหมองมันวุ่นมันวายแล้วก็รู้เมื่อมันสลัดด้วยปัญญาะอมันก็โลง่งไม่มีอะไรก็รู้นแบบน่นอนลยว่ารู้ว่าปัญญาหรือภาวนาที่ทําหน้าที่ทุกยากลําบากอด้วยการเพี้ยนแผงได้ทําหน้าที่จบแล้วสําเร็จแล้ว ก็ต่อเมื่อปัญญามันสว่างขึ้นหรือว่าทำลายความหลงทั้งหลายสิ้นสุดไปนะเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติจึงต้องตั้งสติจึงต้องบริกรรมภาวนาจึงต้องตั้งสัจจะ อธิษฐานะอาจจะเพียนเพ่งอารมณ์หายใจเป็นเป้าหมายเป็นอารมณ์บริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้มันต่อเนื่องไม่ขาดวักขาดตอนนับตั้งแต่หนึ่งนาทีสองนาทีไปจนถึงชั่วโมงหลายชั่วโมงจนเป็น วันเป็นคืนเป็นปีเป็นเดือนเนี่ยเมื่อมันตั้งมั่นแน่แน่มันจึงรวมเข้าเป็นกิจอันเดียวท่านจรงว่ามรคคสมังคีมรคคสังคีคือมรคคือศีลสมาธิปัญญาริอสติสมาธิปัญญามันรวมเป็นความ รู้ที่สว่างความรู้ที่ไม่ไม่มีอาการเผอไม่ได้เรียกว่าเผออนั่นจึงว่าเอโกธรรมโมธรรมเป็นอันเดียวสติสมาธิปัญญารวมเป็นปัญญารู้แจ้งอันเดียว อันจึงจะพ้นจึงจะพ้นจากเวรจากภัยท่านจึงว่าเมื่อผู้ใดทำดจิตใจหรือว่าเจริญสติสมาธิประชุมรวมลงเป็นองค์มรมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะในสมมุติทั้งหลายตามเป็นจริง ความสมมุติลงท่านจึงเรียกว่าวิมุตมติยานัทสนายานความรู้ความเห็นตามเป็นจริงมันไม่ได้เป็นสมมุติ น, นั่นเป็นความจริงของความรู้ความเห็นทุกทั้งหลายที่เคยห่อหุ้มในจิตในใจหรือความกวนวายความทุกข์ความร้อนราคาโทสะโมหะที่มัน เป็นใหญ่อยู่ในจิตในใจได้หมดอำนาจลงไปยงว่าเหลือแต่ธรรมชาติที่ไม่มีสมมุติไม่มีบัญญัติก็คือใจที่แจ่มแจ้งด้วยปัญญานั่นท่านจึงเรียกว่าตัดกรรมชะลูกและวิบากขันสิ้นสุดลง ท่นจะเรียกว่านิพพานก็ได้นิพพานคือความไม่มีทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงความดับสนิทแห่งทุกข์ทุกกายก็ไม่มีทุกใจก็ไม่มีไม่มีทั้งทุกกายทั้งทุกใจอทุกโดยธรรมชาติทุกข์ขย์ของเขาเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั่นคือความเกิดความเสื่อมอสิ่งได้เกิดขึ้นสิ่งนั่นเสื่อมไปอืสิ่งใด เสื่อมไปสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนก็เป็นธรรมชาตินั่นเรียกว่าอริยศาสตร์สัจธรรมที่เป็นธรรมชาติส่วนสัจธรรมที่มารู้ในจิตใจของเราเนี่ยก็กลายเป็นใจที่เป็นความจริงเป็นธรรมชาติที่ไม่มีทุกข์ เป็นธรรมชาติที่รู้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีอันนี้จังทุกขังอนัตตาอะไรเท่านั้นแหะเรียกว่าไม่มีสมมติแต่เป็นธรรมชาติรู้ที่ไม่สมมติน่นะใจเนี่ยเมื่อเรียกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อมันมีมันเป็นมาแล้วใจมันตายเมื่อเป็น มันตายไม่เป็นมันดับไม่เป็นส่วนร่างกายเนี่ยร่างกายมันก็มาจากธาตุดินน้ำไฟลมรวมกันอากาศธาตุอาศัยธาตุลูกคือใจเข้าไปสัมประยุทธ์กันมันจึงแยกจากกันเป็นมันจึงสลายจากกันเป็นสำหรับลูกร่างกายแต่จะว่า มันตายก็ตายไม่เป็นเหมือนกันคือดินตายไม่เป็นน้ำตายไม่เป็นลมตายไม่เป็นไฟตายไม่เป็นเขาก็มีอยู่เป็นอยู่ของเขาอย่างนั้นแหละธรรมชาติความร้อนคือไฟอย่างความร้อนจากดวงอาทิตย์มันก็เป็นธรรมชาติของเขาจากดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์จะแตกเป็นไหมแตกเป็นแตกดับเป็นเหมือนกันดวงอาทิตย์ความร้อนเขาอาศัยมาจากดวงอาทิตย์แต่ความร้อนนี่มันไม่ดับมันไม่ดับเหมือนกันกับใจนั่นแหละมันไม่ดับดินมันก็ไม่ดับน้ำมันก็ไม่ดับลมมันก็ไม่ดับไฟมันก็ไม่ดับเพราะฉะนั้น ใจคือธาตุรูนี่มันก็ไม่ดับดับไม่เป็นเป็นเพียงแต่ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วสิ่งที่เข้ามาแทรกแซงมาทำให้รับรู้ว่าเป็นสุเป็นทุกข์มันไม่มีท่านั้นล่ะเพราะสิ่งทั้งหลายเรานั่นดับไปสังขารดับรูปดับสังขารดับวิญญาณดับ อายจะตนะดับตาหูจมูกลี่กายใจมันดับคือดับจากการสัมปยุศกันไอ้ยังรวมเข้ามาให้มาลูกใกล้ใกล้ๆมาปฏิบัติเพื่อใจนี่แหละใจถ้ามันสัมปยุศสิ่งอื่นอยู่ด้วยความหลง มันเป็นทุกข์เมื่อมันเหลือแต่ใจแท้ๆล่ะจึงไม่มีทุกข์ปรากฏไม่มีที่แสดงของทุกข์เกิดขึ้นก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบก็เอาเอาเท่านี้แหละเอาเท่านี้ก็พอเมื่อว่าทุกข์มันดับแล้วมันจะไปอยู่ไหนอย่างไง ไม่ต้องไปศึกษามันดอกอยู่ไหนยังไงก็รู้อยู่เฉพาะใจเรานี่แหละเหมือนกับเราไม่เก็บไม่ป่วยไม่เป็นไข้เป็นหนาวเราก็สบายอยู่เฉพาะแต่นี่มันยังต้องเก็บต้องไข้ต้องป่วยต้องตายรูปะเนี่ยเพราะมันเป็นธรรมชาติที่รวมกันอยู่มันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ มันจึงต้องแยกต้องแตกต้องดับสลายสำหรับใจนี่มันเกิดคิดมามันมีมาแล้วมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ดับเพราะมีสิ่งเป็นเชื่อเป็นเหตุให้ทุกข์ใจนี่มันจึงรับรูกความทุกข์ไปตามแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ทุกข์ เห่นเวลาเราร่างกายเราโดนแดดโดนไฟร้อนมันก็สัมผัสร้อนเพราะมีกายแต่ใจมันรู้เฉยเฉยมันมันไม่ได้ร้อนแต่มันหลงมันก็เลยว่ามันร้อนซะใจก็เลยว่าใจร้อนถ้ามาภาวนาพิจารณาแยกแยะด้วยปัญญาให้เข้าใจกันแล้ว มันไม่ร้อนใจมันไม่ร้อนมันไม่เย็นมันเป็นธรรมชาติลู้เท่านั้นอาการร้อนมันก็เป็นอาการอันหนึ่งสมมุติอันหนึ่งเย็นก็เป็นสมมุติอันหนึ่งเพราะฉะนั้นถึงว่าสุขทุกข์เป็นสมมุติอันหนึ่งอราคะโทสะโมหะความโลภโกรธหลงมันเป็นสมมุติเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างอมันจะเกิดมันจะเจริญขึ้นได้ต่อเมื่อ ความหลงหลงมากเท่าไรความโกรธก็ยิ่งมากโลค ก, ก็ยิ่งมากความร้อนก็ยิ่งมากแต่รู้รู้ความจริงรู้แจ้งเข้าไปเท่าไรเท่าไรอมันก็น้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นธรรมะคือสติสมาธิปัญญานี่แหละ สติชอบสมาธิชอบปัญญาชอบเมื่อทำนี่มันเจริญมากขึ้นทุก์ในกายในจิตของเราก็เหลือน้อยลงไปน้อยลงไปจนเมื่อสติสมาธิและปัญญามันกล้าแจ่มแจง้งสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกทั้งหลายก็ ไม่มีภายในใจนั่นจึงว่าเหลือแต่ธรรมชาติอย่าแต่ธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติรูก้ก็มีเท่านั้นแล้วปฏิบัติเพื่อให้รู้ <c oughs> จริงเห็นจริงตามเป็นจริงอืมทําลายความทุกข์ทั้งหลายทุกพอหลงทุกพอยึดพอถือความทุกอ่ะความหลงความยึดความถือไม่มีจะเอาทุกมาจากที่ไหนไม่หลงสมมุติไม่ติดสมมุติไม่ยึดสมมุติล่ะทุกไม่มีอืม เรื่ว่าเหลือแต่ลูกเหลือแต่ธาตุลูกที่ไม่ดับแล้วก็ไม่ไม่เกิดไม่เกิดไม่ตายเนี่ยให้เข้าใจให้เข้าใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า การประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อเข้าสู่กระแสธรรมในเบื้องต้นที่ท่านบอกไว้ว่ามีศรัทธามีศรัทธาเชื่อมั่นเข้าใจในเหตุผลคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเพื่อให้ปฏิบัติ คือให้ปฏิบัติให้กระทําเพื่อความ <c oughs> เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบนี่มีสัทธาเชื่อมั่นในเบื้องต้นเรียกว่าเป็นผู้มีกัลยาณธรรมเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นคือเป็นผู้มีศีลปฏิบัติศีลนี่แหละ ปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาเพราะว่าบุญเกิดจากการปฏิบัติท่านจชงว่าเป็นบ่อกเกิดของความสุขเป็นบ่อกเกิดของบุญท่านนี้ว่าทานศีลภาวนามีความเชื่อแล้วก็ปฏิบัติศีลหรืองดเว้นจากบาปจากโทษ ก็ครบคุมครอบคุมกายวาจาด้วยสติปัญญาในเบื้องต้นไม่เอากายไปทำบาปไม่เอาวาจาไปกล่าวสิ่งที่บาปนี่ครอบคุมกายวาจาก็ครบคุมเข้าไปสู่ใจด้วยสมาธิพยายามไม่ให้จิดใจ ไปนึกไปคิดในอากุศลถึงว่าเปลี่ยนวิธีคิดเมื่อเขานึกคิดในเรื่องอากุศลอากุศลอย่างไรเช่นการนึกคิดใส่ร้ายป้ายสีคนนั่นไม่ดีอย่างนุ้นไม่ดีอย่างนี้ท่านก็เรียกว่านึกคิดอากุศลแหละเพราะฉะนั้นเปลี่ยนวิธีให้เขาคิดในส่วน ให้คิดในส่วนที่เป็นกุศลว่าส่วนที่ดีเขาก็มีอยู่นี่คือเป็นวิธีการให้เปลี่ยนความคิดนึกจากการคิดนึกอะกุศลให้เป็นกุศลนี่ว่าให้คิดในสิ่งที่ดีนี่วิธีปฏิบัติในเบื้องต้น จริงว่ามันเป็นนึกคิดเรื่องไม่ดีให้เกิดความเล่าร่อนวุ่นวายกับมา น, นึกพุโทธโธพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมพระสงฆ์หรือนึกถึงคุณบิดามารดาผู้ทำคุณมาก่อนหรือนึกถึงคุณความดีที่เขามีนั่นแหละนึกถึงคุณความดีที่ตนของตนมีนี่อย่าไปนึกถึงเรื่องไม่ดีของผู้อื่น มันจะเป็นอุปสรรคเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่ตนเองนีใ่ในเบื้องต้น <c oughs> เร็นว่าภาวนาสํารวมสังวรไม่ทำบาปทางกายไม่พูดบาปทางวาจาไม่นึกคิดบาปทางจิตใจแต่จึงบอกเหตุไว้ อ่างศีนที่ท่านบอกเหตุแบบปานาทินนากาเมมุสาสุลาอันนั้นท่านบอกเหตุท่านบอกโทษที่นี้ท่านก็ให้มาปฏิบัติเรียกว่าเจริญธรรมอันนั้นบอกเหตุแห่งศีลและมาทําให้เกิดความสํารวมเพื่อให้เป็นความสงบความสุขความสบาย ที่กายใจของเราท่านจึงบอกว่าเมตตาเนี่ยเห็นว่าให้ปฏิบัติให้ภาวนาสร้างเมตตาภาวนาสร้างเมตตาก็คือให้มา น, นึกคิดหัดนึกหัดคิดถึงความดีหัดนึกหัดคิดถึงความไม่ดีความทุกข์ที่ทุกตัวตนคนสัตว์ก็ไม่ปาถนานี่เรียกว่าจเจริญเมตตา คือปาถนาให้ความสุขแก่ตนเองและบุคคลผู้อื่นท่านจึงตั้งกันระยะนธรรมทำที่ควรเจริญให้เกิดให้มีขึ้นคือตั้งเมตาตากายกรรมตั้งเมตตาวจีกรรมตั้งเมตตามโนกรรมการกระทําอะไรช่วยเหลือทางกายก็ช่วยเหลือเพื่อให้ เกิดความสุขเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ความลําบากการพูดการกล่าวทางวาจาก็แนะนําำพ่อสอนเพื่อจะให้มีสติปัญญาให้มีความรู้ความเข้าใจให้พ้นจากความหลงความไม่มีปัญญานี่เรียกว่าพูดด้วยเมตตานึกคิดทางจิตใจ ประกอบด้วยเมตตานึกคิดหาหนทางที่จะช่วยเหลือหาหนทางที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ที่มีอยู่หรือป้องกันทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ใช่พระวรกายทางกายใช้ทางพระวิจารใช่ความนึกคิดทางพระหฤลิยเพื่อความสุขความ อยู่ปราศจากทุกข์ของผู้อื่นทั้งนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติบาเพ็ญตัวของพระองค์ได้สำเร็จแล้วเนะน่เจงว่าตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมนี่ทำสิ่งใดทางกายไม่ทำเพื่อเบียดเบียนทำเพื่อช่วยให้คนจากทุกข์ทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในเบื้องหน้า ที่จะไม่ให้รับโทษรับทุกข์ในเบื้องหน้าเหมือนอย่างนางภ <c oughs> ิกษุณีเทรีที่ท่านบำเพ็ญปฏิบัติเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วท่านมีเพื่อนมีเพื่อนหญิงตั้งแต่ยังไม่บวช ด, ด้วยกันท่านก็อยากจะไปเยี่ยมก็เข้าไปที่บ้านของเขาพอไป พอเข้าไปถึงบ้านเขาอายุหญิงที่เป็นเพื่อนกันนั่นเขากำลังแต่งตัวแต่งเครื่องสำอางเสริมสวยเขาอยู่พอเห็นภิกษุณีที่เคยเป็นเพื่อนกันก็ถือวิสาสะความคุ้นเคยบังเอิญ ตนเองจะหยิบเอาเครื่องสำอางกระช่ากระเช่าเครื่องสำอางเห็นนางพิกษุณีเข้ามาใกล้ก็ไปกล่าววาจาใชา้ขอพระแม่เจ้าช่วยหยิบกระเช่านี่ให้ดิสันหน่อยคือเห็นหน้าเข้ามาก็ใช่เลยเพราะเคย คุณเคยเคยใช้เคยบอกอะไรกันแต่ก่อนที่นี่การกล่าวอย่างนั้นมันจะเป็นโทษสำหรับผู้กล่าวสำหรับผู้ที่ใช้นางพิกษุณีท่านก็สงสารเพราะว่าไปใช้พระอรหรันต์ผู้ที่ท่านหมดกิเลสอาสวะแล้ว มันจะเป็นโทษเป็นบาปแก่ตนเองท่านพิกษุ น, ษนีท่านก็รู้ว่าถ้าหาว่าเราหยิบกับเช่าเครื่องสำอางนี่ให้เพื่อนของเราคนนี้มันจะเป็นกรรมเขาเขาจะต้องเกิดเป็นคนรับใช้ผู้อื่นอยู่ถึงห้าร้อยชาติถ้าเราไม่หยิบให้เดี๋ยวเขาเกิดความโกรธ ว่าใช้เราไม่ได้ถ้าเขาโกรธให้เราเขาจะไปตกนรกหมกไหมสวยทุกในนรกเพราะความโกรธของเขาถ้าเราหยิบให้เขาจะไปเกิดเป็นคนรับใช้ผู้อื่นอยู่ถึงห้าร้อยชาติเอาจะเอาอย่างไรท่านก็เมตตามีความเมตตาสงสาร อังพิกสุนีท่านยึงพิจณาไปตรงนรกเนี่ยมันทนทุกทรมานมากทนทุกทรมานในทุกคติภูมิมีนรกเป็นต้นเนี่ยถ้ า, ากเกิดเป็นคนรับใช้ก็ยังไม่ทุกทรมานมากถือว่าเบาขึ้นมาสุดท้ายท่านก็หยิบก็เช่าเคี่ยงสำอางยื่นให้ หญิงสาวคนนั้นไม่รู้หรอกว่าตนจะได้รับบาปรับกรรมอะไรเพราะว่าทํำด้วยความไม่รู้ที่กล่าววาจ่าชายนางภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์นั่นและท่านก็ไม่บอกนางภิกษุณีก็ไม่บอกบอกว่านี่ท่านจะไปได้ไปรับกรรมอย่างง้นอย่างท่านก็ไม่บอกแต่ท่านรู้ของท่าน สุดท้ายก็หยิบก็เช่าให้นั่นแหละขั้นแตกตายทําลายขันผู้หญิงคนนั่นก็เกิดไปเกิดเป็นคนรับใช้อยู่ถึงห้าร้อยชาติจนสุดท้ายเนี่ ย, ยมาเกิดเป็นนางคุชุตาเป็นคนรับใช้นางสามาวดี แล้วจึงได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วมีปัญญาปัญญาเกิดนี่เรียกว่าบรรลุธรรมเข้าถึงภูมิของพระโสดาบันคือปัญญาเกิดเนี่ยมันจะไม่หลงยึดมั่นถือมั่นในกายจะไม่เป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเนี่ย ร่างกายของเรานี่เป็นสมบัติที่ได้มาจากบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้ทำมาแต่ก่อนแล้วที่ที่นี่จะไม่เป็นทุกข์เพราะต้องมาแตนมาหวงมาอะไรมันคือรู้ว่ากายนี่มันเกิดมาแล้วมันก็ต้องแตกดับค้ำค่าสุดท้ายก็ต้องตาย <c oughs> นี่ท่านเรียกว่าถอนสกายทิธฐิคือความเห็น ความหลงในกายถือกายยึด ก, กายนี่เป็นคุณธรรมของผู้เข้าถึงธรรมเบื้องต้นเดว่าระสกายาิทิถือความถือกายหลงในกายว่าเป็นตัวตนแลวก็ไม่มีความลังเลสงสัยไม่สงสัยในคำสอนของพพุทธเจ้าเรื่องบาปเรื่องบุญไม่สงสัย มีสินห้าพระพฤติปฏิบัติสินห้าเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์นี่คุณธรรมของผู้มีปัญญาในขั้นโสดาผลเรียกว่าละกิเลสหรือว่าละความหลงสามหลงในกายไม่มีหลงถือกายไม่มีหลงในบุญในบาป ไม่มีและก็ไม่รูปรูปคำคำปฏิบัติศีลห้าสมบูรณ์บริบูรณ์ได้เลยให้ทานนี่ไม่มีความตนีหวงแหนแม่ตนเองไม่ได้กินก็ให้ทานแม่ตนเองจะตายก็ยังให้ทานผู้อื่นนี่คือคุ ณ, ณธรรมของพระโสดาบันที่ท่านว่า ละสกายาิฐิวิกิคิชาสิรพัตตปรามาตมีกิจใจตรงต่อมักต่อผลขั้นสูงขึ้นไปไม่กลับมาหลงอีกแต่ยังมียังละกามมะคุณยังไม่ได้ยังละปฏิฆาลาคายังไม่สิ้นสุดยังมีอยู่ ยังมีความกำนัดยินดีในรูปเสียงกินรสอยู่แต่ไม่หลงไม่หลงว่ากายนี่มันจะไม่ตายนีม่มีราคะอยู่แต่แต่ใช้ราคะในขอบเขตเรียกว่ามีเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่แต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีลห้านั่นแอละ ไม่ร่วงเกินเรียกว่ามีมีธรรมมีกัญยาณธรรมห้าสมบูรณ์บริบูรณ์พระสสดาบันฑ์ <c oughs> มีเมตตามีการเรื่องชีวิตชอบธรรมมีความสำรวมในกามหลปเสียงกลิ่นรสโอทพะมีขอบเขตไม่ได้หลงไหลจนไม่มีขอบมีเขต มีศัจจะเป็นผู้มีศัจจะมีความจริงใจต่อธรรมจริงใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงใจต่อข้อปฏิบัติไม่ขาดตกบกห้องไม่ด่าพร้อยต่อศีลธรรมนี่เรียกว่ามีธรรมมีสติสมบูรณ์ มีสติสมบูรณ์การดื่มกินเครื่องดองของเมาไม่มีไม่มีเกตนาไม่มีความยินดีนี่คือคุณธรรมเบื้องต้นแต่ยังมีราคะอันมีปฏิฆะราคะอุทัจจะมานะอวิชชาเมื่อเจริญปัญญาให เห็นจริงแก้งในกายนั่นน่ะเห็นกายเป็นอสุภะเห็นกายเป็นของไม่งามเห็นกายเป็นสิ่งที่เกิดดับแตกดับปัญญาละเอียดเข้าไปนั่นจึงจะถอนปฏิฆะราคะคือความไข้ความกำหนัดความไข่ความกาหนัดใน กิเลสกรรมวัตถุกรรมความไข่ความกำหนัดในเงินทองเข้าของญาติมิตรสามีภรรยาเรียกว่าสมมุติทั้งหลายเนี่ยความไข่ความกำหนัดในทรัพย์สมบัติในรูปเสียงกินลดเนี่ยขาดไปไม่มีความเล่าร้อนใจ แต่ว่ายังยังติดยังหลงอยู่ในความสุขในความสุขในบุญในขั้นพรมะโรในขั้นพรมโลกคือรูปราคะอรูปราคะยังไม่สิน้นต่อเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาเข้าใจแหละไม่ติดไม่หลงใน ฌานในญาณความรู้มาเดินปัญญาเข้าถึงอนาคามีธรรมท่านจิงว่าละลาคะทั้งรูปราคะรูปราคะสิ้นสุดไปได้แล้วยังเหลืออุทัจจะมนะอวิชา ก็มาทำลายความหลงด้วยปัญญาด้วยยานอันวิเศษ ท, ที่เกิดขึ้นจากการเจริญสีนสมาธิปัญญานั่นแหละประชุมส ก, กายทิฐิวิกิคิชาสีรพะพตะร a r a m ความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสในสมมุติในกายในจิตทั้งหลายจบสิ้นลงไปด้วย ความว่างเพราะเห็นเป็นสมมุติเป็นอนัตตานั่นจึงจบกัน <c oughs> ในการประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมก็เอาในเบื้องต้นนะ่ะวก็มุ่งการประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อทำที่สุดแห่งทุกเพื่อ ทมที่สุดแห่งบาปแห่งกรรมอาคุลทั้งหลายนี่ก็ให้ตั้งอยู่เป็นผู้มีความเพียรในขั้นทานศีลภาวนามาโดยลำดับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องเจริญปัญญานี่ที่เนี่ยไม่เอาเฉพาะสมาธิเก็สมาธิมันเป็นเป็นหินทับยญ้า ปัญญามันเป็นการคุยเขลียกิเลสความลุ่มหลงหลงอะไรหลงรูห ล, ลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นเรื่องความหลงทั้งหมดเพราะนั้นปัญญาคุยเคลียความหลงนี่คือทาปัญญาความรู้ตามเป็นจริงให้เกิดขึ้นนั่นละจริงจะง จบกันเพราะฉะนั้นในวันนี้ได้มาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมก็ น, นั่นแหละฟังก็ถือว่าเป็นการได้ยินได้ฟังทีนี้ที่สำคัญก็คือปฏิบัติคือปฏิบัติตามตั้งสติกำหนดเข้าไปฝึกสติ อบรมสติสมาธิด้วยเจตนาตั้งมั่นด้วยความไม่ทอดทุรละนั่นแหละทีนี้ยิงว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเรียกว่าปฏิบัติธรรมมันยิ่งสติเนี่ยตั้งจอเข้าไปเรื่อยเรืยเรืยเรืยเรืย อเพอแล้วมันจะขาดไปก็เหมือน ก, นกันกับเราท่องบนสาธยายถ้าท่องบนอยู่เรื่อยๆท่องมนท่องอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่ลืมมนก็บริสุทธิ์แต่ถ้าทอดทุระไม่ได้ท่องเรื่อยมันก็หลงลืมนึกไม่ถึงออกนี่ก็เหมือนกันสติถ้าไม่ตั้งไม่จ่อกันอยู่เรื่อยเรื่อยไม่ตั้งใจอยู่เรื่อยเรื่อย มันก็จะเผอเลยสุดท้ายก็เป็นกายเป็นโมหะจิตเป็นจิตที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้กายรู้จิตไม่รู้ตัวรู้ตนไม่รู้ผิดรู้ชอบไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นเหตุให้เกิดบาปเกิดกรรมอะไรเป็นเหตุที่จะชาระบาปกรรมให้สิ้สุนไปก็ไม่รู้ก็อยู่ไปตามความหลง อยื่ไปตามความหลงกไปอย่างนั้นเรื่อยๆก็ประสบพบเจอความทุกข์ความไม่เล่าร้อนเพราะไม่สมหวังเพราะโลกนี่มันเป็นโลกไม่สมหวังอยู่แล้วมันเป็นโลกที่บกคล่องอยู่แล้วเพอท่าะะนั้นมาปพอพึธงทำปฏิบัติธรรมจเจริญธรรมะยินได้ชื่อว่าเป็นการฝึกกิตฝึกใจแล้วก็จะ อยู่เย็นเป็นสุขตาม <c oughs> ธรรมะที่ได้ยกขึ้นในเบื้องตน้นป่าจิตตังทันตังสุขาวหังหรือธรรมโมสุกินโนสุขมาวิะหาติผู้มีธรรมเป็นเครื่องดำเนินประพฤติธรมรมปฏิบัติธรรม ก็ยอมอยู่เป็นสุขหรือผู้ประพฤติธรรมด้วยความไม่ประมาทก็จะเข้าถึงความสุขกายสุขใจอันแท้จริงได้ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาโดยตลอดในอดีตทั้งในปัจจุบัน แยที่จะประพฤติปฏิบัติไปในเบื้องหน้าด้วยความไม่ประมาทขออำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีและดวยอำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รงรดนบันาลให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ประสบความสุขความเจริญเจริญในธรรมคามสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธนนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยทำขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสาเร็จจงเป็นผลสำเร็ จ, จ, นรจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเธอ